ตอนช่วยแต่คนไม่สนทรัพย์สินมีขุนนางตำแหน่งพระอาจารย์ท่านหนึ่งมีหน้าที่ถวายพระอักษรห้องเต้เมื่อ ย, ยังทรงพระยาวท่านผู้นี้มีบรรพชนที่ยึดอาชีพแจวเรือจ้างมาหลายชั่วคนมีอยู่ครั้งหนึ่งตั้งแต่พระอาจารย์ยังไม่เกิดฝนตกนานจนท่วมตลิ่งกระแสน้ำได้พัดพาชีวิตผู้คนและทรัพย์สินลอยตามน้ามามากมาย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 แต่การหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านปู่ได้ลูกชายคือท่านบิดาของพระอาจารย์ท่านนี้ความเป็นอยู่ของท่านกับไม่ลําบากดังแต่ก่อนครอบครัวมีความสุขสบายขึ้นท่านทวดสิ้นบุญไปแล้วต่อมาท่านปู่ก็ถึงแก่กรรมลงมีเต้าหินท่านหนึ่งซึ่งเชื่อกันมาว่าเป็นเทวดาแปลงร่างมาปรากฏได้แนะนําให้ท่านพ่อของพระอาจารย์ นำศพของท่านทวดและท่านปู่ไปฝังรวมกันในที่แห่งหนึ่งใกล้บ้านซึ่งมีชัยภูมิฮวงจุ้ยดีมากเป็นมงคลแก่ลูกหลานต่อไปทุกวันนี้ฮวงจุ้ยกระต่ายข่าวนี้เป็นที่เรื่องลือกล่าวขวัญกันทั่วทุกทิศสุดดีในเกียรติคุณของคนแจวเรือจ้างที่เป็นท่านทวดและท่านปู่ของพระอาจารย์เมื่อพระอาจารย์ถือกําเนิด พออายุได้20สิปีก็สอบไล่ได้ตามขั้นตอนทั้งหมดได้รับราชการเป็นขุนนางจนได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรแด่ห้องเต้เมื่อห้องเต้ทรงทราบถึงคุณงามความดีของท่านทวดและท่านปู่ของพระอาจารย์ก็ได้โปรดเกล้าพระราชทานยศขุนนางให้กับท่านทวดท่านปู่ของพระอาจารย์อีกด้วยเพื่อเป็นการแสดงให้ปรากฏว่าการทําความดีงามนั้นย่อมได้รับสิ่งที่ดีงาม